ตื่นเต้ ê อย h กหล n ต ì อยากเรี n g ห a l ตา h ่ n จริงจริงแ ใจว่าจะมากราบหลวงตาพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็เมื่อวานตอนเช้าอ่ะได้เห็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งของหลวงตาแล้วก็หลังจากนั้นก็ชวนชวนมากราบหลวงตาหนูก็รู้สึกว่าหนูไม่มีเวลาที่จะทบทวนสิ่งที่หนูเห็นนะหลวงตา แต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าสิ่งที่หนูรู้หนูเห็ น, นหนูหนูคิดว่าหนูคนอื่นอาจจะมองว่าแปลกหนูก็เลยตัดสินใจมาวันนี้เพราะหนูคิดว่าเสาร์อาทิตย์คนเยอะถึงหนูจะเป็นคนแปลกก็ขอแปลกอยู่ในคนห น, หน้อยๆแล้ว <laughs> ในความรู้สึกของหนูหนูคิดว่าหลวงตาที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทราบภาวะจิตของหนูหนูคิดอย่างนั้นในเมื่อวานนี้หนูตัดสินใจมาก่อนนะหน้านี้หลายวันแล้วค่ะว่าหนูจะมาส่งกันบ้านหลวงตาตามความรู้สึกของหนู แม้นนว่าหนูจะรู้สึกว่ามันแปลกอะแต่หนูก็จะส่งการบ้านแบบเนี้ยค่ะอย่างที่หนูเป็นการบ้านอย่างที่หนูรู้สึกแล้วทำอันสุดท้ายที่หนูเห็นเมื่อวานนี้ตอนเช้าทำให้หนูยิ่งแบบตัดสินใจมาในวันนี้อะและเมื่อกี้ที่หลวงตาสอน มันเป็นสิ่งหนึ่งอะที่หนูคิดว่าหนูจะมาส่งกันบ้านหลวงตาในวันนี้หนูคิดว่าหนูจะมาเรียนหลวงตาว่าหนูจะส่งกันบ้านหลวงตาด้วยสองคำอหลวงตาคำแรกคือคำว่าว่างสว่างะละบริสุทธ คำ ท, ที่สองที่หลวงตาพูดไปเมื่อกี้ค่ะหนูก็ทวนตามค่ะพบใจพบธรรมค่ะแล้วก็ถึงใจถึงพนิพาณหนูรู้สึกว่ามันถึงใจแล้วค่ะหลวงตาหนู ไปไหนไม่ได้ละหนูอยู่แค่ตรงใจเนี้ยละค่ะมันไปต่อไม่ได้แล้วค่ะมันสุดอยู่ตรงที่ใจนี้ฮะหลวงตาแล้วหลวงตาเคยบอกหนูว่าหนูส่งกันบ้านไปสองครั้ง ตอนหนูจะต้องมีการบ้านที่จะส่งหลวงตาอีกหนึ่งครั้งเป็นครั้งที่สามค ร, ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามของหนูแล้วใช่ไหมคะหลวงตาถ้า ง, งั้นหนูขอส่งละเอียดนะคะอ่าได้เลยหนูมาทราบในตอนโต เมื่อหนูมาเป็นผู้พิพากษาแล้วว่าตอนหนูเกิดมาได้ประมาณเดือนสองเดือนมีชายแก่คนหนึ่งมาที่บ้านแล้วมาขอน้ำดื่มตอนนั้นหนูนอนอยู่ในเปรได้ถุนบ้านพอชายแก่คนนั้นมาขอน้ำดื่มเสร็จ ก็ไปอุ้มหนูออกมาจากเปลลงตาแล้วก็มาแบมือหนูให้พ่อกับแม่หนูดูว่าให้เหลี้ยงเด็กคนนี้ให้ดีเพราะว่าเด็กคนนี้มีดอกจันเต็มฝ่ามือไปหมดให้เหลี้ยงอย่างสุดกำลังเท่าที่จะเลี้ยงเด็กคนนี้ได้แล้วหลังจากนั้นชายแก่คนนี้ก็เดินหายไป หลังจากนั้นตอนหนูอายุสิบเอ็ดขวบหนูเรียนอยู่ชั้นมัธยมม่อหนึ่งมะมัธยมหนึ่งหนูเพิ่งเปิดเรียนได้เดือนสองเดือนคะหนูป่วยด้วยโรคที่ไม่ทราบสาเหตุในตอนนั้นเหมือน คือใกล้าตายแล้วอะค่ะคือตัวเย็นหมดแล้วค่ะแล้วจู่ๆก็รอดขึ้นมาได้แต่ปรากฏว่าตัวบวมหมดทั้งตัวเลยค่ะบวมมากแล้วก็ไปรักษากี่หมอก็ตรวจไม่ไม่พบค่ะว่าเป็นโรคอะไรจนสุดท้าย พอก็จะพาไปรักษาที่ศรีราแต่มีคนคนหนึ่งบอกว่ามีหลวงตาองค์หนึ่งเก่งมากให้ลองไปถามหลวงตาองค์นี้ดูแต่พอไปถึงหลวงตาก็บอกว่าหลวงตาไม่ได้เก่งแต่มีครูบาอาจารย์ของหลวงตาคนหนึง่งเป็นคนแก่สอนมาให้ไปหาคนแก่คนนี้ตอนนั้น ก็มีการพูดกันประมาณตอนเด็กๆหนูไม่เข้าใจอะค่ะแต่หนูรู้อยู่อย่างหนึ่งว่าเมื่อหนูโตขึ้นหนูรับผิดชอบตัวเองได้หนูต้องบวชเพื่อแรกกับเหมือนกับให้หนูมีชีวิตที่จะรอดมาได้แล้วหลังจากนั้นหนูก็หายป่วย และผลในการป่วยตรงนั้นนะที่ทำให้หนูเป็นเกิดรอยรั่วในหัวใจมาจนถึงตรงนี้และเมื่อที่หนูเคยพูดไปในตอนผิกวิกฤตเพราะว่าหนูใช้หมอที่แบบหมอบอกหนูว่าคุณหมอไม่ได้เก่งระดับประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้เขาบอกหนูว่าสมัยตอนหนูเป็นเด็กหนูเคยป่วยแบบบวมทั้งตัวโดยไม่ทราบสาเหตุใช่ไหมหนูก็บอกว่าใช่และในครั้งนั้นหมอในตอนนั้นไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าหนูเป็นอะไรแต่เมื่อหนูหายแล้วก็จะมาตรวจพบว่าหัวใจหนูผิดปกติเพราะมีรอยแยก หมอในครั้งนั้นที่ตระเวนรักษาทําความเห็นได้อย่างเดียวค่ะหลวงตาว่าที่เท้าของหนูผิดปกติไม่เหมือนคนทั่วไปเพราะคนทั่วไปปุ้งเท้าจะโคง้งรับน้ำหนักไม่ได้รับน้ำหนักได้ทั่วกันทั้งเท้าแต่เท้าหนูผิดปกติเพราะว่า ฝ่าเท้าแดนลาบไปหมดเลยค่ะทำให้ข้อเท้ารับน้ำหนักมากและทำให้มีอาการบวมทั้งตัวก็เลยจากการป่วยคัตอักทำให้รู้ได้อย่างเดียวค่ะว่าเท้าหนูไม่เหมือนคนอื่นเมื่อหนูมาปฏิบัติธรรมกับหลวงตาหนูคิดย้อนกลับไป หนูทราบว่าในตอนนั้นหนูเห็นตัวพูดตัวพากแล้วหลวงตาหนูเห็นจะาในในตอนนั้นที่หนูเป็นเด็กหนูได้ยินละครทางวิทยุเรื่องหนึง่งมีตัวละครตัวหนึง่งมีสองคนในตัวในร่างเดียวกันค่ะ พอร่างหนึ่งที่มีอิทธิพลกับเขาสั่งให้เขาไปทําอะไรเขาก็จะไปทําโดยที่เขาไม่รู้ตัวตล้วพอมาตอนหลังเมื่อมีคนรู้ก็มีคนให้กําลังใจเขาแล้วอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในตัวเขาที่คอยสั่งให้เขาไปทําในสิ่งที่ไม่ดีก็จะลดความมีอิทธิพลต่อตัวเขาลงไป ในตอนเด็กตอนนั้นหนูฟังอันนี้แล้วหนูก็รู้ว่าในตัวเรามันมีอีกตัวหนึ่งค่ะหลวงตาที่คอยพูดคอยภาคอยู่ในใจแล้วหนูก็คิดได้เลยค่ะว่าหนูจะต้องไม่เป็นอย่างนั้นหนูจะใช้ตัวพูดตัวภาคที่อยู่ในตัวหนูทำความดีไม่ใช่ทำความชั่วหรือทำสิ่งที่ไม่ดีแบบนั้นแล้วเวลา หนูจะคิดหรือหนูจะทำอะไรสิ่งแรกที่หนูทำก็คือปรึกษากอีกตัวหนึ่งคือเหมือนคุยกับตัวเองอะค่ะว่าเป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไงก็คิดไปเรื่อยๆต่อสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่ทำให้หนูไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเมื่อหนูมีปัญหา แล้วหนูก็ใช้สติปัญญาคิดแล้วก็เหมือนมีอีกคนหนึ่งคุยกับเราบางอย่างมันก็แก้ไปได้โดยไม่ต้องไปศึกษาใครก็เลยมีความรู้ว่าคิดได้ด้วยตัวเองหรือถ้าคิดไม่ได้ก็แค่ปรึกษาคนในครอบครัวปัญหานั้นมันก็จบลงไปได้และในการป่วยที่ ห น, หนูเคยเรียนหลวงตาหนูเคย้อนตรงนี้ก่อนนะคะว่าพอหนูคิดว่าหนูจะปฏิบัติธรรมต่อไปะค่ะแล้วหนูไปอธิษฐานจิตขอเป็นลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวแล้วหลังจากนั้น หนูได้มาพบหลวงตาในครั้งแรกที่หลวงตาเมตตาสอนหนูเมื่อหนูกลับไปคิดหนูนึกออกแล้วค่ะเพราะว่าวันนั้นเน่ะหนูขับรถกลับไปหลังจากที่กล่าวหลวงตาแล้วหนูรู้สึกว่าทุกอย่างมันสว่างสวยไปหมดเลยอะหลวงตาตั้งแต่หนูขับรถอากวัดหัวตลุก ไปนถึงบ้านหนูบอกเด็กที่หนูเลี้ยงเหมือนลูกว่าวันนี้มีคนมาตามมาส่งเราเราถึงบ้านแล้วให้บุญเขากราบเขาวายเขาวันนี้มีคนมาส่งเรา ในครั้งนั้นหนูไม่ทราบเลยเว่าหลวงตาสอนหนูแล้วแล้วเมื่อหนูกลับไปบันลุงขึ้นหลวงตาได้เอาไฟที่สอนหนูมาลงให้ฟังหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นของตัวเองะวันนั้นเราสามคนไม่ทราบเลยว่าหลวง ตาบันทึกเอาไว้แต่หนูรู้แต่ว่าวันนั้นหนูมากราบหลวงตาเพราะว่าหนูต้องการมาถามาจุดประสงค์ของหนูมีอยู่สามอย่างค่ะคือหนึ่งคือหนูเป็นคนที่ถ้าหนูทราบ ว, ว่าพระองค์ไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีคนบอกว่าองค์นี้เป็นอรหรันหนูก็จะไปกราบถ้าหนูไปได้ และในตอนนั้นเวลาหนูนั่งสมาธิหนูนั่งไม่ได้ค่ะหนูมีความรู้สึกว่านั่งห้านาทีสิบนาทีก็เหมือนคนมาหักแข้งหักขาหนูหนูปวดแข้งปวดขามากหนูไม่สามารถนั่งต่อไปได้หนูอยากจะมาเรียนถามหลวงตาว่าหนูจะทำยังไงถึงจะนั่งสมาธิได้นานแต่เมื่อหนูมากราบหลวงตาจนถึงวันนี้คำถามนี้หนูไม่เคยคิดจะได้ถามหลวงตาเลยค่ะ แล้วก็อันที่สามที่หนูได้ถามไปก็คือตอนนั้นหนูเริ่มสงสัยแล้วค่ะว่าหนูเห็นคนอื่นทํางานแล้วมีปัญหาภายหลังหนูก็ได้แต่คิดว่าหนูเป็นคนที่โชคดีมากทําไมเวลาทํางานหนูจะพูดอะไรหนูจะคิดก่อนหนูจะมีสติอยู่ตลอดเวลาทําให้หนูไม่ต้องมากลัวอะไรว่าทํางานไปแล้วจะมีปัญหาในภายหลัง และบางครั้งหนูเดินอยู่หนูรู้สึกว่าหนูว่างมากหรือบางทีอยู่ๆปิติหนูก็ขึ้นมาหรือบางทีหนูเดินอยู่เฉยๆหนูก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเหมือนตัวหนูหายไปหนูจับตัวตัวหนูก็ยังอยู่แต่เวลาหนูเดินปกติก็เหมือนหนูไม่รู้สึกว่ามีตัวหนูอยู่เลยค่ะแล้วพอหนูมากล่าหลงตา หนูก็เข้าใจหนูคิดว่าหนูโชคดีที่ก่อนที่หนูจะมากราบหลวงตาหนูได้ฟังคำสอนของหลวงตามาซึ่งวันนั้นหนูเรียนหลวงตาว่าหนูฟังคำสอนของหลวงตามาแล้วหนูมีความรู้สึกว่าคำสอนของหลวงตานั้นหลวงตาพูดอะไรมมแบบมันตรงกับใจหนูหนูเข้าใจหมดเลยค่ะแล้วยิ่งหนูกลับไปบ้านหนูไปเปิดดูหนูก็ยิ่งตกใจอ่เลยว่าทาไมหนูฟังอยู่ที่บ้านทาไมแบบ หนูมีความเข้าใจหนูมีความรู้ได้เหมือนกันหนูฟังอยู่ต่อหน้าหลวงตาแล้วพอหนูฟังก่อนที่จะมากราบหลวงตาในวันนั้นหนูก็เรียนหลวงตาว่าเด็กที่หนูมาด้วยอ่านหนังสือเล่มละหลายวันซึ่งหลวงตาก็บอกหนูว่าเชื่อว่าหนูฟังมาจริงๆ เมื่อหนูกลับไปหนูได้ฟังของหลวงตาที่สอนต่อมาหนูก็ทราบว่าเหมือนหลวงตาจะบอกหนูว่าให้หนูเชื่อมั่นในตัวครูบาอาจารย์หลงตาสอนหนูได้หนูฟังเหมือนยิ่งหนูฟังหนูก็ยิ่งเหมือนรู้สึกว่าหลวงตานึกถึงไอ้เด็กสามคนที่มากราบหลวงตาที่เพิ่งมากราบไปแล้ว หนูฟังอันนี้หนูก็รู้ว่าคําสอนอันนี้ทําให้หนูรู้สึกในใจว่าหนูต้องเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์แล้วพอหลังจากนั้นก็จะมีอีกไฟล์หนึ่งที่หลวงตาบอกแม่ชี้ว่าให้ถอนคําอธิษฐานหนูก็ทราเพราะว่าหลวงตาบอกให้หนูถอนคําอธิษฐานหนูก็ใช้เวลาตัดสินใจอยู่นาน แล้วหนูก็เดินในการตัดสินใจว่าหนูจะถอนดีไหมมิพานคืออะไรหนูจะปฏิบัติไปเพื่อให้ถึงมิพานหรือเปล่าหนูจะเอายังไงแล้วในวันหนึ่งค่ะขณะที่หนูเดินหนูก็ คิดเจรณาอย่างเดียวค่ะว่ามิพานนี้คืออะไรหนูก็ไปนึกถึงคําสอนที่หลวงตามหาบัวสอนในหลวงนะคะเพราะว่าในหลวงไปถามหลวงตามหาบัวอยู่สองคำถามเท่าที่หนูพอจะจําได้ก็คือถามว่าพุทธภูมิคืออะไรแล้วหลวงตามหาบัวก็ตอบว่า ก็เหมือนกับเรานั่งรถไฟไปหรือนั่งเครื่องบินไปเชียงใหม่ที่คนไปได้เยอะกว่ากันหนูก็มองออกแล้วท่านก็ถามอีกว่านิพานคืออะไรแล้วหลวงตามหาบัวก็ตอบว่าถ้านิพานเปรียบเหมือนวัดก็หมายถึงทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในวัดนั้นหนูก็มาคิดว่านิพานนี้คืออะไรอะค่ะ แล้วหนูก็คิดออกว่าอ๋อมันก็คือทุกๆอย่างที่เป็นธรรมชาติทำให้เมื่อหนูมากราบหลวงตาครั้งที่สองนะคะที่ในตอนพลิกบิกิตตอนที่หนึ่งที่หนูพูดกับหลวงตาว่าหนูพอทราบแล้วค่ะว่านิพพานคืออะไรแล้วหนูก็เรียนหลวงตาว่าหนูถอนคำอธิษฐานมาแล้ว เมื่อหลวงตาสอนหนูแล้วหลังจากนั้นเมื่อหลวงตาสอนต่ อ, ตอมาค่ะหนูก็รู้สึกว่าหนูได้ความรู้จากการฟังหลวงตาสอนในตาลักแกไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งขณะที่หนูนั่งพิจารณา หนูคิดว่าหนูพิจารณาต่างจากคนอื่นเพราะหนูไม่ได้พิจารณาอะไรเลยหนูนึกถึงคำสอนของหลวงตาในครั้งแรกว่าจิตจิตกับสิ่งที่หนูพิจารณามันติดกันไปแกะแยกจากกันไม่ออกจนแบบมันเกาะกันไปอย่างเงี้ยเหมือนปิงดูดเลือดเมื่อวันหนึ่งที่ เหมือนใจมันรับไม่ไหวมันก็จะทิ้งลงไปแล้วก็โลกกะาะแดระเบิดจากภายในสู่ภายนอกหนูก็เลยคิดได้ว่าถ้าหนูปรารถนาพุทธภูมิเพราะฉะนั้นหนูก็ไม่ต้องไปพิจารณาอะไรหนูก็วางตรงนี้ไปมันก็จบแล้วพอเมื่อหนูคิดแบบนี้ยหนูก็วางพอหนูวางเสร็จหนู ก็เห็นไฟสามกองค่ะหนูทราบว่าไฟสามกองที่หนูเห็นนั้นกองหนึ่งคือโลภะกองหนึ่งคือโทสะและกองหนึ่งคือโมหะแล้วหนูก็ค่อยๆเห็นไฟนั้นมันหมดความร้อนลงไปเรื่อยๆแต่ไฟนั้นยังคงสว่างอยู่เหมือนเดิมในใจหนูบอกตัวเองว่า ขนาดนี้ความสว่างนี้ไม่ได้เผาผ่านตัวหนูเองอีกต่อไปแล้วไฟอันนี้มันเป็นไฟที่สงบเย็นมันไม่ทำร้ายตัวหนูเองแล้วมันเปลี่ยนจากไฟที่เล่าร้อนเป็นไฟที่สว่างแต่มีแต่ความล่มเย็นเย็นเปรียบเสมือนสายน้ำแล้วหนูก็เห็นสายน้ำ ซึ่งไอ้กาบหลวงตาครั้งา่างหลวงตาก็บอกหนูว่าหนูมีความอิ่มเอิบใจอยู่ในตัวตลอดเวลาแล้วในใจหนูก็ยังบอกตัวเองอีกว่าเย็นเหมือนน้ำก็ยังมีสภาพเป็นตัวเป็นตนอยู่เพราะฉะนั้นสายน้ำนี้ก็ต้องหายไปแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยไม่มีอะไรเลย ในวันนั้นเมื่อหนูรู้สึกอย่างนี้แล้วหนูรู้สึกว่าหนูดับไฟทุกอย่างไฟในใจหนูมันเย็นไปหมดแล้วมันไม่ได้เล้าร้อนอีกต่อไปแล้วหลังจากนั้นหลวงตา ก, ก็สอนตอนหนึ่งที่บอกว่าน้าทีแก้วพิจารณาอสุภะจนระเบิดโลกธาตุไปได้ แล้วลวงตา ก, ก็สอนถึงพระองค์หนึ่งที่จะไปทูลถามพระพุทธเจ้าแต่เห็นฝนตกก็เลยรออยู่ใต้ทุนกุฏิแต่เมื่อเห็นต่ำน้ำเกิดขึ้นแล้วก็แตกแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็เข้าใจเมื่อฝนหายก็เข้าใจว่าทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ก็ดับลงไปเพราะเหตุปัจจัยเมื่อเข้าใจทุกอย่างก็เดินกลับไปไม่ได้ก็ไม่ได้ไปทูลถามพระพุทธเจ้าอีกในวันนั้นหนูก็คิดว่าหนูพอเท่านี้ไม่ต้องอะไรอีกต่อไปแล้วใช่ไหมแล้วหนูก็ได้มีโอกาสมากราบหลวงตาเป็นครั้งที่สาม ในครั้งนั้นหลวงตาบอกว่าหนูดิ้นลนค้นหาให้หนูปล่อยวางตาแรกหนูนึกไม่ออกแต่เมื่อหนูนั่งพิจารณาไปเรื่อยๆหนูรู้ว่าหลวงตาบอกหนูเพราะเมตตาหนูก็คิดว่าทำไมหนูติดตรงนี้ได้ยังไงอ่ะแต่ในขณะนั้นหลวงตาสอนคนหนึ่งที่เขาถามว่าทำไมวันนี้หลวงตาสอนแบบนี้ แล้วคนนี้หลวงตาเปลี่ยนมาสอนแบบนี้แล้วทำไมแบบหลวงตาสอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่เหมือนกันตาหลวงตาตอบว่าหลวงตาลองดูว่าหลวงตาบอกแบบนี้แล้วเขาจะวางได้ทันทีไหมหนูก็นึกออกแล้วหนูก็แบบไม่ต้องไปอะไรก็คือวางคือใครวางได้เร็วคนนั้นก็หมดทุกก่อนแล้วหนูก็วาง ตรงนั้นนะแล้วยิ่งหลวงตาในวันนั้นหลวงตายกตัวอย่างเรื่องครอบแก้วที่อยู่บนหัวกบนะคะที่ตีไปเรื่อยๆจนแบบแม่แต่เจอเพชรเพชรก็ไม่เอาหนูก็เข้าใจในตรงนั้นและก่อนหน้านี้หนูขอย้อนนิดนึงนะคะก่อนหน้านี้ตอนที่หนูยังอ่านหนังสือมีวันหนึ่ง หนูฝันนะหนูฝันว่าหนูเห็นล่างโปร่งใสเดินเข้ามาจากทางประตูในขณะที่หนูนอนเขามาที่เตียงที่หนูนอนอยู่แล้วเขาก็มานั่งทับที่ตัวหนูแล้วเขาก็นอนลาบกับตัวหนูไปจนหนูมาสะดุ้งตื่นตอนเขามาถึงอกล่ะค่ะตอนสมัยเด็กๆหนูคิดตลอดเลยว่าอันนี้แน่เลยที่เป็นผีสิง โชคดีที่หนูตื่นขึ้นมาก่อนเขาจึงทำอะไรหนูไม่ได้ตาพอหนูพิจารณามาเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้หนูอยากเข้าใจว่าภาพที่หนูเห็นครั้งเดียวแต่หนูจำติดตามาเป็นเวลานานนั้นหนูอยากจะคิดว่าหนูเห็น กายปร่งแสงใช่มัาทำให้หนูเข้าใจเมื่อหนูพิจารณามาถึงกายปร่งแสงภาพตรงนี้ทำให้หนูนึกออกนแล้วหนูก็คิดได้ทีนี้หนูขอพูดถึงการส่งกันบ้านต่อจากครั้งที่แล้วที่หลวงตาให้หนูทำหนังสือ ในวันนั้นที่หนูมาส่งกันบ้านหลวงตาหนูคอยย้อนนะคะว่าในขณะที่หนูส่งกันบ้านที่เป็นปกหนังสือจบสัทีตอนนั้นหนูก็คิดว่าหนูเห็นถึงที่สุดล้วแต่หลังจากนั้นหนูก็เข้าใจในเรื่องธาตุเรื่องขันนะคะว่าปล่อยวางตัวตนนั้นเป็นอย่างไรอะะ่ะค่ะ เป็นเหตุให้หนูส่งกันบ้านอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆก่อนหน้านั้นเวลาหนูเห็นทำอะไรหนูบางครั้งหนูก็ทราบแต่หนูก็เอามาถามหลวงตาเพื่อหนูคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นบ้างแต่พอหนูเอามาถามหนูคิดว่าคำถามหนูกลายเป็นสิ่งที่ผิดปกติไปค่ะ หนูก็เลยคิดว่าหนูจะไม่ถามแต่มีครั้งหนึ่งอะค่ะที่หนูเห็นหนูถามเรื่องสามกายอะค่ะว่ามันมีสามกายแล้วทุกกายมันมีจิตทุกจิตมีทุกกายในทุกกายในสามกายนั้นก็มีจิตของตัวเองในทุกจิตจริงๆในครั้งนั้นหนูตั้งใจว่าหนูจะมากราบ ส่งกันบ้านและเรียนถามหลวงตาด้วยตนเองตาหนูถามเพื่อนก็ไม่มีใครมากับหนูหนูถามญาติพี่น้องก็ไม่มีใครมากับหนูหนูจึงตัดสินใจพิมพ์สิ่งที่หนูสงสัยเพราะหนูปฏิบัติต่อไม่ได้มาถามหลวงตามันเหมือน ม, มันเหมือนหนูจำเป็นต้องถามอ่ะแล้วคนก็จะเห็นคำถามหนูแต่ปรากฏว่าพอมีเหตุให้คนไม่มากับหนูแล้วพอหนูส่งคาถามมาถามหลวงตาได้วันสองวันปรากฏว่าอยู่ดีๆคนที่บ้านหนูก็อยากมากราบหลวงตาเรามาชวนหนูให้หนูพามากราบหนูก็บอกว่าเออจะไปทำไมล่ะไม่ไปแล้วเพราะว่า สิ่งที่หนูต้องการมาเรียนถามหลวงตาชวนใครก็ไม่มาชวนเพื่อนก็ไม่มาชวนญาติพี่น้องก็ไม่มาก็รอไม่ได้ก็ส่งคาถา ม, ถามไปถามหลวงตามาแล้วแต่ทุกคนก็บอกว่าอยากไปกราบขอให้หนูาพามากราบหลวงตาทำให้หนูได้มากราบหลวงตาแล้วหลวงตาก็สอนหนูเรื่องยามตามหลัง ยานตามหลังทมทําให้ในตอนนั้นหนูเริ่มรู้แล้วค่ะเพราะว่าหนูเห็นว่าถ้าหนูเป็นฝุ่นสักนิดหนึ่งหนูจะไม่สามารถทะลุจากสามโลกนี้ไปได้แล้วหนูก็รู้สึกว่ามีน้ําทำไมเหมือนมีน้ําผุดเข้ามาในใจหนูแล้วหนูก็รู้ขึ้นมาว่าอ๋อนี่ไงนี่คือ มีฤทธิ์ได้เพราะอันนี้เองน้ําที่เขาบอกว่าน้ำำําอมฤตเป็นอย่างนี้เองก็คือมาจากอมะตะบวกด้วยฤทธิ์จึงมีฤทธิ์ได้อยู่ไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วจะมีฤทธิ์ที่จะรู้เห็นอะไรได้น้ําที่ผุดเข้ามาในใจเราเหมือนต่าน้ําเล็กๆนี่เองก็คือน้ำอำําอมฤตคนที่ จะเอาน้ำอมฤตนี้มาใช้ได้ก็ต้องแตะถึงอมตะแล้วจึงจะนำมาใช้ได้แล้วพอหนูได้มากราบหลวงตาหลวงตาก็สอนหนูเรื่องยานตามหลังธรรมหนูเขาพูดถึงการส่งกันบ้านหลวงตาในครั้งที่แล้วหลัง แล้วเมื่อการพิจารณาสามกายของหนูก็หยุดอยู่แค่ตรงนั้นมานานหลายเดือนจนหลวงตาจะออกหนังสือจบสถทีการพิจารณาสามกายของหนูจึงได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพอหนูส่งกันบ้านหลวงตาไปครั้งแรกการส่งกันบ้านของหนูก็เหมือนแปลกทําให้หนู ปรึกษากับเพื่อนว่าทำไมการส่งกันบ้านของหนูกลายเป็นของแปลกไปหนูจะแก้ไขอย่างไรดีอะหนูก็แล้วตอนนั้นน่ะก็เป็นวันที่ใกล้วันมาคะบูชาที่ในครั้งแรกหนูมากราบหลวงตาแล้วหลวงตาบอกว่าให้ถอนคำอธิษฐานหนูก็รู้ถึงคันห้าตอนหนูก็เลยคิดว่า หนูจะแก้ไขการส่งกันบ้านครั้งแรกของหนูที่คนมองว่าแปลกให้มันเป็นปกติขึ้นก็คือเพื่อให้คนอื่นรู้ว่าเนี่ยหนูกำลังปฏิบัติแล้วส่งกานบ้านให้หลวงตาอยู่แต่ตอนคิดจะส่งกันบ้านมันเป็นวันที่ใกล้มาค่ะบูชาแล้วค่ะซึ่งหนูก็คิดว่าเอ๊ะทำไมจึงบังเอิญได้ขนาดนี้ แล้วก็ปรากฏว่าในวันที่คิดว่าจะส่งกันบ้านหลวงตาก็คือเป็นเย็นที่วันรุ่งขึ้นจะเป็นวันมาคะบูชาแล้วหนูก็ฟังหลวงตาสอนในตอนนั้นมันมีแท็กหนึ่งที่เป็นปัจจุบันมากหลวงตาจะสอนเรื่องการพิจารณานิพ v a n ว่าหลวงตาพิจารณาซ้าไปซ้ามาและยิ่ง ใกล้วันพระใหญ่ใกล้วันโกนต่อวันพระและจะยิ่งรู้สึกถึงตรงนี้ประกอบกับในวันนั้นที่หนูคิดจะต้อ ง, งจะส่งกันบ้านหลวงตาหนูคิดว่าเพื่อให้จบหนูหมดหน้าที่ต่อไปนี้หนูหมดงานแล้วใจหนูว่างงานหนูไม่ต้องทําอะไรแล้วแล้วหนูจะกลับมาเป็นคนธรรมดาเหมือนที่หลวงตาสอนหนูในใบไม้ใบเดียวแอ้ววันนั้นหลวงตามาที่นี่พอดีค่ะ แล้วครูบาก็ถ่ายรูปใบโพที่ใต้ต้นโพที่หลวงตากำลังไหว้พระแล้วหลวงตาก็ลงในไลน์ว่าใบเดียวจบหนูก็ถามเพื่อนว่าใบเดียวจบของหลวงตาคืออะไรคือการพิจารณาพิจารณาแค่ใบเดียวแค่ใบโพใบเดียวไม่ต้องพิจารณาใบไม้ทั้งป่าพิจารณาแค่ใบไม้ใบเดียวก็จบแล้ว หรือความหมายของหลวงตาคือหนูที่เป็นหลวงตาสอนใบไม้ใบเดียวจะจบแล้วเพราะว่าวันนั้นหนูมีความรู้สึกว่าหนูเข้าใจเรื่องท่าเรื่องขันก็คือจบแล้วแล้วครั้งนั้นหนูก็ส่งกันบ้านโดยที่เหมือนเหมือนจบเลยค่ะแล้วหนูไปคิดว่าการบ้างครั้งนี้ทาให้หนูจะ ใจว่างงานแล้วหนูจะไม่ต้องทำอะไรแล้วหมดหน้าที่ของหนูแล้วหนูก็ส่งด้วยความสบายใจค่ะว่าต่อไปนี้หนูจะไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปแล้วแต่ปรากฏว่าหนูส่งไปได้วันเดียวค่ะวันรุ่งขึ้นหนูก็คิดออกว่าเอาอีกแล้วหนูทำตัวเองอีกแล้วแบบหนูพยายามแก้ไข แต่พอหนูทาไปแล้วหนูเพิ่งคิดออกว่ามันกลายเป็นว่าหนูยิ่งทำให้คนเห็นว่าไม่รู้ผู้หญิงคนนี้เป็นใครแต่สำนวนแบบนี้มันยิ่งแปลกเข้าไปเรื่อยๆแบบหนูก็คิดว่าหนูแก้ไขให้มันดีแต่ทำไมกลายเป็นนี่หนูทำไปแล้วแบบคนรู้จักหนูไปแล้วแล้วหนูก็ แล้หนูจะทำยังไงดีแล้วหนูก็มานึกออกว่าเ อ, อ้าหนูก็นึกถึงอันนึงว่าหลวงตาสอนหนูพอหนูกลับไปดูหนูก็แบบเ อ, อ้านี่หนูให้ความรู้กับคนอื่นไปแล้วหนูลงมือทําไปแล้วแล้วในวันนั้นเพียงแค่วันเดียวหนูก็มารู้ถึงนิทานเรื่องหนึ่งดอลลาร์สิบเอ็ดเซนบวกชะตาชีวิตนะคะเลยทําให้หนูรู้ว่า หนูไม่ได้พักเลยหลวงตาหนูส่งกันบ้านหลวงตาได้วันเดียวหนูก็เห็นอันนี้ต่อมาหนูก็รู้ว่าหนูต้องเดินต่อมาจนหนูไปส่งกันบ้านหลวงตาที่เป็นเส้นทางแห่งความพ้นทุกข์เมื่อหนูส่งกันบ้านครั้งนั้นแล้วหนูก็กลับมานอกจากสิ่งที่หนูพูดไปทั้งหมดในวันนั้นที่ใต้ต้นโพของที่นี่แล้ว มีสิ่งหนึ่งที่หนูไม่ยอมพูดหนูยังเก็บเอาไว้อยู่ก็คือพระโพธิธรรมวันนั้นหนูแตะไปนิดเดียวค่ะที่ว่าพระพุทธเจ้าส่งดอกบัวพูดกับพระอนุนว่าส่งมอบทุกอย่างให้พระมาหากรสปะไปแล้วพอหนูส่งกันบ้านหลวงตาเสร็ หนูเข้าไปฟังอยู่หลายครั้งค่ะเรื่องพระโพธิ่ทําแล้วกว่าหนูจะหลุดก็มาได้เพราะว่าหนูตั้งใจฟังมากตอนนี้หนูฟังหลวงตาอธิบายเข้าใจมาตลอดแล้วพอถึงตอนสุดท้ายที่หลวงตาถามว่าก่อนเกิดมาใครคือเจ้าเกิดมาแล้วเจ้าคือใครหนูพยายามฟังให้เข้าใจว่าตรงนี้หลวงตาสอนว่ายังไงหนูฟังซ้าเป็นสิบสิบครั้งแต่พอมาถึงตรงนี้หนูก็พลาดตลอด จนหนูมาเข้าใจได้ในครั้งสุดท้ายที่หนูส่งกันบ้านแล้วพอหนูมาถึงตรงนี้หนูก็ในครั้งนั้นหนูก็สะดุดอยู่คำหนึ่งหนูฟังหลวงตาสอนในแท็กก็จะมีหลวงตาพูดอันหนึ่งว่าพระโพธทธรรมเหรียหลวงตาชอบมากหลวงตาอ่านอยู่หลายรอบทําให้หนูไปค้นตาม แล้วหนูก็เลยเข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วในตอนที่หลวงตาสอนหนูในตอนพลิกวิกฤตหลวงตาก็พูดถึงการถ่ายทอดทำจากใจสู่ใจจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเลยทำให้หนูเข้าใจหนูเข้าใจสิ่งที่หนังพระพุทธเจ้ามหาศาสด า, า, า, าโลกที่พระพุทธเจ้าพูดกับพระอ น, นุ์ว่า ในสิ่งที่พูดได้บอกได้สอนได้ด้วยคำพูดท่านได้บอกสอนไปหมดแล้วแต่ทำในสิ่งที่ไม่สามารถที่จะบอกสอนมาเป็นคำพูดได้นั้นท่านได้ส่งมอบให้พระมหากัสปะไปแล้วแล้วเมื่อหนูมาอ่านพระโพธิธรรมทำให้หนูรู้ว่าพระโพธิธรรมหรือปมรมาจารตักมอ สอนลูกศิษย์ส่งมอบความรู้ให้กับลูกศิษย์ก็ใช้วิธีการเดียวกับที่พระพุท ธ, ธเจ้าส่งมอบให้กับพระมาหากัสปะและมาถึงตอนนี้วิธีการที่ ห, หลวงตาสอนและทีห่หลวงตาทาอยู่หนูเข้าใจค่ะแต่หนูก็เรียนที่จะพูดถึงตรง น, นี้เพราะว่า หนูคิดว่าความรู้หนูยังไม่ถึงที่สุดหนูยังอยู่ในขั้นประมวลความรู้อยู่แล้ววันนั้นที่หนูมาส่งกันบ้านหลวงตาที่ใต้ต้นโพแห่งนี้หนูเห็นหนูถ่ายภาพได้ภาพหนึ่งที่หลวงตาเอาไปโหลดในกลุ่มไลน์ใช่ไหมคะ เป็นภาพแสงสีขาวหนูพยายามดูอยู่ตลอดว่าภาพนี้สื่ออะไรบอกถึงอะไรแล้วหนูก็คิดในใจความเข้าใจหนูเข้าใจคร่าวๆว่าเหมือนกับพลังบางอย่างที่หลวงตาเชื่อมต่อได้มันทำให้เห็นนะคะภาพนั้นทำให้เห็นว่า แสงสีขาวนั้นเชื่อมกับหลวงตาอยู่แต่หนูยังอธิบายไม่ได้เพราะหนูเห็นชัดมากแล้วพอหนูส่งกันบ้านวันนั้นเสร็จหลวงตาให้หนูทำหนังสือหนูก็ใจมุ่งมั่นอยู่กับการทำหนังสือค่ะหลวงตาหนูไม่ได้ไปพิจารณาอะไรเลยค่ะ เวลาที่หนูอยู่ในห้องพักหนูทิ้งการพิจารณาไปเลยค่ะหนูพิจารณาแต่ว่าเมื่อหนูทําหนังสือให้หลวงตาแล้วหมดแรงค่ะหนูก็ได้แต่นายนั่งอยู่ในห้องพัะเพื่อให้หนูมีสติปัญญามีสติสมาธิปัญญาที่จะสามารถทําหนังสือให้หลวงตาเสร็จให้เป็นโครงล่างเท่าที่ พอที่จะเป็นรูปเป็นล่างที่จะนําไปสานต่อได้หนูรู้ว่าในช่วงเวลานั้นหนูไม่ได้มีการพิจารณาธรรมเลยค่ะแต่หนูได้อ่านอ่านซ้ําแล้วซ้ําอีกหลวงตาทวนแล้วทวนอีกตัดสินใจแล้วตัดสินใจอีกกว่าจะแยกหมวดหมู่แยกเรื่องได้ แล้วรู้อยู่อย่างหนึ่งว่าในขณะที่ทำในขณะที่แยกใจมันว่างมากคะมันว่างแบบถ้าใจไม่ว่างก็จะไม่สามารถที่จะทำงานชิ้นนี้ให้หลวงตาได้ในใจที่ว่างนั้นบางวันเสาร์อาทิตย์นะคะหนูยอมที่จะไปอยู่เงียบๆคนเดียวเพื่อที่จะให้มันเงียบที่สุดแล้วก็บอกที่บ้านว่า เวลาสี่ห้าชั่วโมงไม่พอที่จะทำในวันหนึ่งจะต้องเจ็ดแปดชั่วโมงเพราะฉะนั้นขอไปอยู่เงียบๆแล้วหนูก็ค่อยๆค่อยๆอ่านค่อยๆพิจารณาเลยทำให้หนูรู้ว่าการอ่านทำการพิจารณาการแยกแยะในทุกขณะที่ทาทําด้วยใจที่ว่างมากค่ะและในขณะที่แยกทาของลงตาไป ก็ได้มีโอกาสฟังทรรมที่มาส่งกันบ้านหลวงตาและหลวงตาโหลดให้ไปทั้งสามครั้งมีครั้งหนึ่งที่ฟังขับรถไปแล้วฟังทรรมอันหนึ่งอยู่่ะแล้วจูๆ่ๆมือก็ไปกดอยู่ปุ่มเดียวแต่กลายเป็นว่าไปลบแท็บที่กำลังฟังอยู่ออกไปและ ไม่รู้ว่าเป็นแท็กใหม่ขึ้นมาได้ยังไงอะค่ะแล้วก็ไม่ใช่ป้มตอนเนี่ยเป็นการตอนและเป็นตอนที่หนูพูดกับหลวงตาถึงการปฏิบัติและการพบครูบาอาจารย์และหนูมาเรียนหลวงตาว่าหนูยอมรับในชะตาชีวิตตรงนั้นการฟังไปเรื่อยๆทําให้รู้ว่าในครั้งที่สองที่หนูมาส่งกันบ้านหลวงตาที่ใต้ต้นโพ แล้วกลางคืนหนูกลับมาหนูได้เรียนหลวงตาว่าหนูพร้อมแล้วหนูรู้หนูเข้าใจในสิ่งที่หลวงตาอธิบายหนูพร้อมแต่พอหนูมาในครั้งที่แล้วที่หนูส่งกันบ้านที่นี่หนูกลับบอกหลวงตาว่าหนูไม่พร้อมหนูเห็นความแตกต่างของตัวเองในสามครั้งหนูพิจารณาแล้วหนูเข้าใจที่หลวงตาสอนล้ะ ไม่มีความพร้อมไม่มีความไม่พร้อมมีแต่ทำขณะนี้มีแต่ตอนนี้มีแต่ขณะนี้มีแต่เดินหน้าไปเรื่อยๆไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรหายไปไม่มีอะไรที่แบบพร้อมไม่พร้อมไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรไม่ดี ทำหน้าที่ไปเรื่อยๆเท่าที่จะทำได้แล้วก่อนที่หนูจะมากรบในครั้งที่แล้วที่หนูมาเรียนขอให้หลวงตาอธิบายเรื่องนิพพานริมฝั่งน้ำฟากน้ำริมตากับพระปางปฐมเทศนาหนูมีความรู้สึกว่าตอนหนูแบ่งงานให้เพื่อนหนูอธิบายเพื่อนว่าหนูขอน้อยกว่าคนอื่นเพราะว่า หนูจะต้องเรียงและสองหนูจะต้องไปดูของเพื่อนคนอื่นๆที่ขัดเรียงมาให้หนูทั้งหมดและถ้ามีเวลาเหลือในส่วนที่ตั้งกันไว้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์นับแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงปัจจุบันหนูลับที่จะเข้าไปตามดูคำสอนที่หลวงตานามาสอนแล้วก็นามาจัดเรียงเอง เพื่อไม่ให้เพื่อนรับภาระมากจนเกินไปก็จึงรับภาระหนักทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการคัดการเลี้ยงไว้ที่ตัวเองเพียงคนเดียวมันทำให้หนูเห็นว่าในคำสอนที่หลวงตานำมาสอนทั้งหมดนั้นหัวใจที่หลวงตานำมาสอนก็มีสามเรื่องที่หนูมาเรียนให้หลวงตาอธิบายค่ะ คือจุดสำคัญก็คือที่พระพุทธเจ้าสอนตอนปฐมเทศนาสอนเพื่ออะไรก็คือให้พ้นทุกข์ก็คือนิพพานและนิพพานเป็นอย่างไรก็คือที่หลวงปู่ดุลแสดงให้ดูและในวันนั้นหนูก็อาจหารที่จะให้หลวงตาอธิบายภาวะนิพพานเพราะว่าในวันนั้นหนูรู้สึกว่า เรื่องนี้มันอยู่ในใจของหนูแล้วหนูคิดว่าการที่หลวงตาอนุญาตนั้นหมายความว่าหลวงตาพิจารณาแล้วแล้วเมื่อหนูกลับไปการที่หนูได้มีโอกาสถอดคำสอนที่หลวงตาสอนทั้งหมดนะทำให้คําว่านิพพานมันอยู่ในใจหนูเลยค่ะหลวงตา แต่หนูไม่รู้ทางไปว่ามันจะเป็นยังไงอะค่ะหนูถอดคำสอนของหลวงตามาเพื่อเรียบเรียงหนูก็ได้มาในระดับหนึ่งคะ่ะแต่พอหนูมาเรียงต่อกันเป็นเรื่องหนูทราบ ว, ว่าหนูเรียงได้ครึ่งเดียวใครได้ประโยชน์จากตรงนี้หรือไม่หนูไม่ทราบคะ่ะแต่สำหรับตัวหนูหนูทราบ ว, ว่าหนูเรียง ตอนที่เจ็ดได้เพียงครึ่งเดียวค่ะใจของหนูมันก็นิ่งสนิทแล้วหนูเห็นหนทางที่เป็นมิภานแล้วฮะหลวงตาการเลี้ยงต่อมาจากครึ่งหนึ่งเพื่อไปจนจบนั้นมันเป็นเพียงการทำหน้าที่ให้จบเท่านั้นเพียงทำหน้าที่ของตัวเองให้สิ้นสุดไปเท่านั้นและทําให้มีความรู้อีกว่าในหมวดที่เจ็ดในหมวดที่ห้านั้นน่ะ ก็คือพื้นฐานที่เราปฏิบัติมาทั้งหมดนั่นเองนะหลวงตาในหมวดที่หกนั้นเป็นแค่การอธิบายว่าเมื่อเราดูจิตไม่ให้จิตเราดูจิตดูจิตดูจิตใช่ไหมคะจิตในจิตอยู่ตลอดเวลาแล้วจิตไม่ส่งไปไหนแล้วจิตไม่ส่งออกนอกจิตไม่เมื่อเพลินเรารู้สึกตัวอยู่ตลอดเราก็จะรู้ว่า ทุกอย่างมันเกิดมันดับมันมีสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจมันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์และในหมวดที่เจ็ดนะคะก็แค่อธิบายว่าทุกอย่างในหมวดที่ห้านั้นมันเกิดมาจากขันห้ามันมาจากรูปบวกด้วยจิตเจตสิกเนียนะคะสั ง, สง เวทนาคือความสุขทุกข์คือเวทนาแล้วก็สัญญาสังขารวิญญาณค่ะคือกิจเจตสิกนิพพานมันคือสามอย่างนี้เท่านั้นมันคือสังขารเพราะฉะนั้นจงปล่อยวางไปค่ะอย่าไปยึดถือสังขารตรงนี้ค่ะมันเป็นแค่สังขารและในตัวต่อมา ของหมวดที่หกอะค่ะที่บอกว่านิพพานเหนือผู้รู้ให้ปล่อยวางผู้รู้หนูก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยคือตัวหลอกะเพราะว่าที่หนูพูดว่าตัวหลอกเพราะว่าตอนแรกหนูจัดที่เกี่ยวข้องกับนิพพานที่พูดถึงว่านิพพานเหนือผู้รู้เอาไปไว้ตรงนี้หมดเลยค่ะเพราะว่าเพื่อที่จะไปอธิบายว่านิพพานเนี่ยอยู่เหนือผู้รู้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปยึดผู้รู้เอาไว้ไม่ได้ให้ปล่อยวางผู้รู้ไป แต่พอหนูได้ฟังธรรมของหลวงตาแล้วหนูได้ไปถอดเทปคำสอนของหลวงตาทำให้หนูต้องเอาสภาวะธรรมอันนี้ค่ะโยกจากหมวดที่หกไปต่อในหมวดที่เจ็ดนะคะทำให้หนูรู้ว่าเนี่ยแหละหมวดที่เจ็ดที่หลวงตากำหนดไว้ว่าจิตเดิมแท้ใจพุธทธะสุญญาตามหาสุญญาตาและความว่าง จริงๆแล้วตรงนี้ก็คือซ่อนคําว่านิพพานเอาไว้ค่ะหลวงตาตรงนี้คือนิพพานในหมวดที่หกที่บอกว่านิพพานเหนือผู้รู้ถ้าคนไปมุ่งอยู่แต่ตรงนั้นก็ยังติดอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเพียงแค่บอกแค่ว่านิพพานอ่ะเหนือผู้รู้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดผู้รู้เอาไว้ให้ป่อวางผู้รู้ไปเพราะว่าผู้รู้ก็คือสังขารผู้รู้ กแค่เป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาให้รู้ไว้พงหมดความจําเป็นแล้วเราก็ต้องทิ้งเรือคือผู้รู้นี่ไปแล้วอย่างที่หนูเรียนหลวงตาแล้วว่าพอหนูเลียงหมดที่เจ็ดไปหนูมีความรู้สึกว่าใจหนูปรับถ้าหนูไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสองฆ์หนูไม่มีคุณของบิดามารดาพ่อแม่ ครูอาจารย์หลวงตาให้โอกาสนี้หนูมาหนูจะไม่เห็นตรงนี้เลยค่ะหลวงตาถ้าหนูเรียงแพงแค่บางบทบางตอนแค่หนูเรียงหมวดใดหมวดหนึ่งหนูจะไม่ถึงใจตรงนี้เลยค่ะแต่นี่เพราะว่าหนูได้ทำตรงนี้หมดทั้งสามหมวดทำให้หนูรู้สึกถึงใจแต่ในความถึงใจหนูหนูก็ยังคิดว่ามันยังไม่หมดนะคะ เมื่อหนูเรียงหมวดหมู่เสร็จหนูจึงมานั่งพิจารณาว่าจะเป็นยังไงโดยนั่งพิจารณาเรื่อยๆไปแบบว่างๆแล้วในวันหนึ่งหนูก็รู้สึกว่าเหมือนมีลูกสรชี้เข้ามาที่ตัวหนูในใจหนูเหมือนบอกตัวหนูเองว่าเพราะว่าตอนเรียงให้หลวงตาทราบแล้วเขาว่า ต่อให้เรารู้ว่าสภาวะนิพพานที่หนูถามหลวงตาไปนั้นอยู่ตรงไหนเป็นยังไงต่อให้รู้เห็นว่าเป็นยังไงแต่ในขณะที่เวลาที่เราจะตายเราไม่สามารถที่จะปล่อยวางทุกอย่างได้ก็ไม่สามารถที่จะไปถึงนิพพานได้เพราะฉะนั้นความสําคัญของการเป็นนิพพานไม่ได้อยู่ที่วันนี้หรือไม่ได้อยู่ที่พรุ่งนี้ แต่อยู่ที่ตอนจะตายแล้วก็เตรียมตัวเราจะต้องเตรียมตัวที่จะพร้อมที่จะตายอยู่ตลอดเวลาเพื่อถึงตรงนั้นที่หลวงปู่ดุลแสดงให้ดูเราก็จะได้พร้อมที่จะหายตัวไปทำตรงนั้นให้เป็นจริงได้เลยทำให้เวลาหนูนั่งในห้องพระหนูก็เลยรู้ว่าไม่ต้องไปที่ไหนแล้วค่ะ หยู่แค่ในตัวเรานี้ไม่ให้ทะลุเนื้อหนังออกมาได้เลยค่ะอยู่พิจารณาคือตอนนี้ไม่ต้องพิจารณาแล้วใช่ไหมคะคือใจอยู่กับแค่ตัวเรานี้ไม่ต้องส่งออกไปที่ไหนแล้วแล้วในตอนนั้นหนูมีปัญหาอยู่สักสองสามปัญหาค่ะหลวงตาเวลาหนูนั่งหนูก็เลยเห็นปัญหาแล้วหนูก็เลยพิจารณาทีละปัญหา แล้วก็รู้สึกว่าเราก็เห็นว่าปัญหานั้นนะ่ะมันเป็นแค่ปัญหาเราก็ปล่อยวางไปมันก็ไม่มีอะไรก็ปัญหาที่หนึ่งก็ผ่านไปก็ปล่อยวางไปปัญหาที่สองในเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเราไม่มีตัวไม่มีตนทุกอย่างมันยึดไม่ได้มันเป็นทุกปัญหาที่สองปัญหาที่สามก็ชัางมันค่ะอยู่ที่ปัจจุบันนี้เหมือนที่หลวงตาบอกชังแนมันช่างมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อยู่แค่ปัจจุบันตรงนี้ปล่อยวางไปก็ทําให้มีความรู้สึกว่าแล้วหนูก็รู้สึกว่าตัวหนูว่างหมดเลยค่ะและในความว่างนั้นจู่ๆก็รู้สึกถึงมันเหมือนกายเนื้อมันด้อยลงไปค่ะหลวงตาแต่สิ่งที่เห็นชัดขึ้นมาก็คือกายโปร่งแสงมันเหมือน ในขณะนั้นเพราะว่าวันนั้นที่ในขณะนั้นมันเหมือนนั่งอยู่ใจมันไม่ไปไหนแล้วใจมันอยู่ในตัวเราในร่างกายเรานี้เองแล้วในร่างกายเราก็เห็นหมดทั้งสามกายทั้งสามจิตทั้งกายเนื้อกายปร่งแสงแล้วก็ใจว่างเปล่าที่เป็นพุทธะที่เป็นทั้งกายและใจหนูก็คิดว่า หนูปรุงแต่งไปหรือเปล่าคะหนูก็พิจารณาเมื่อออกมาหนูตัดสินใจมาวันนี้เพราะว่าหนูไม่สามารถที่จะทำงานในชีวิตปกติได้หนูทำได้แต่หนูคิดว่าใจของหนูตลอดเวลาหนูจดจอ่อในการพิจารณาตรงนี้มันไม่หลุดออกไปจากใจหนูเลยค่ะหลวงตามันเห็นต่กายกับใจของเรานี้หยุดอยู่แค่ตรงนี้ ทำอะไรไปมันก็เหมือนกับใจมันนึกถึงแต่ทำอะค่ะมันมันมีแต่ทำ ม, มันไม่ได้นึกถึงที่จะไปทำสิ่งอื่นเลยอะค่ะแล้วหนูก็มาทบทวนว่าหนูปรุงแต่งไปหรือเปล่าค่ะหนูมองเห็นความสาคัญของกายโปรงแสงขึ้นมาเองหรือเปล่าหนูก็พยายามพิจารณาไปเรื่อยๆ จนวันหนึ่งในขณะที่หนูนอนนะหนูก็เห็นตัวหนูนอนพร้อมกับลมหายใจและพร้อมกับตัวรู้ที่มีสามสิ่งที่หนูไม่ยึดอะไรเลยและหนูก็รู้ว่าอ๋อที่หลวงตาสอนว่ามิตรทานมันเหมือนการหลับมันคือตรงนี้นี่เองนี่ถ้าเราตายตรงนี้ไปเราก็ทุกอย่างก็พร้อมที่จะแยกจากกันได้สลายหายออกไปจากกันจนหมด ทำให้หนูเข้าใจตรงนี้แล้วหนูก็มีความรู้กว่านี่แหละคือสิ่งที่จะต้องพิจารณาสิ่งที่พร้อมที่จะตายอยู่ตลอดเวลาคือใจมีสามสิ่งนี้อยู่ในใจแล้วหลังจากนั้นหนูก็เห็นทุกอย่างหนูมองยิ่งตอนกลางคืนหนูมองไฟมองอะไรหนูก็คิดว่าทำไมตาหนูเห็นอะไรทำไมจึงสว่างสวยัย แบบนี้มันเหมือนกับหนูเห็นแสงที่พุ่งออกมาจากไฟนั้นได้หนูก็คิดว่าเกิดอะไรขึ้นจนเมื่อวานนี้ตอนเชา้าหลงตาหนูนั่งในห้องพระหนูก็พิจารณาไปเรื่อยๆตอนแรกหนูก็นั่งหลับตาพิจารณาแล้วในแต่ละวันที่หนูพิจารณาหนูจะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ละนึกถึง พ่อแม่ครูบาอาจารย์เมื่อวานตอนที่หนูนั่งหนูมีความรู้สึกว่าหนูเห็นภาพหลงตาแบบหนึ่งค่ะหนูรู้สึกว่าหนูเห็นภาพหลงตาอยู่ท่ามกลางแสงทิพย์หนูคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วหนูก็นั่งพิจารณาไปว่าอืนิ่งดีสบายดีดูไปเรื่อยๆแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูลืมตาขึ้นมาเพราะว่า หนูนึกถึงวันนั้นที่ใต้ต้นโพที่หลวงตาบอกว่าให้เปิดให้หมดทั้งหกประตูไม่ให้ปิดแม้แต่ประตูใดประตูหนึ่งหนูก็จึงลืมตาขึ้นมามองแล้วหนูก็รู้สึกว่าใจของหนูนิ่งมากหนูสามารถที่จะลืมตาขึ้นมาวใจหนูก็ปกติเหมือนที่หนูหลับอยู่แล้วพอหนูลืมตาขึ้นมาในสิ่งแรกเมื่อกี้หนูเรียนหลวงตาว่าหนูมากราบหลวงตาครั้งแรกหนูขับรถกลับบ้านหนูเห็นทุกอย่างสว่างสวัยไปหมด สิ่งที่สว่างสวัยนะหนูเห็นแสงไฟกระพุ่งไปไกลมากทั้งขึ้นข้างบนทั้งลงข้างล่างแต่เมื่อวานตอนแรกหนูพิจารณาไปหนูเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในห้องพระที่กระทบกับแสงเป็นแสงเป็นลำอะค่ะ้หนูก็สงสัยว่าทำไมวันนี้แสงต่างๆทำไมไม่พุ่งขึ้นข้างบนทำไมแสงทุกอย่างพุ่งลงมาข้างล่าง และเหมือนจะพุ่งเข้ามาหาที่ตัวหนูหนูก็มองไปเรื่อยๆเยล้าหนูก็มองไปที่หน้าต่างซึ่งไม่มีแดดฝนจะตกไม่มีแม้แต่แสงแดดส่องเข้ามาทำไมมีแสงส่องเข้ามาจากทางหน้าต่างเป็นแสงสีขาวซึ่งหนูเคยเห็นแสงแบบนี้มาครั้งหนึ่งแล้วตอนที่หนูรู้ว่าเมื่อหนูปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ใจก็จะว่างเปล่าละใจที่ว่างเปล่านั้นตัวที่ว่างเปล่านั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรอะหนูก็นึกออกว่าแสงอันนี้ที่หนูเคยเห็นแล้วหนูก็เห็นแสงนี้ไหลา ย, ยาวมาจากทางหน้าต่างค่อยๆเข้ามาใกล้ตัวหนูมากขึ้นเรื่อยๆหนูก็มองแสงที่หน้าต่างกับแสงที่ยิ่งพระสลับกันไปอะหนูก็เห็นว่าทุกแสงในยิ่งพระก็มุ่งตรงมาที่หนู หนูก็นึกถึงคำสอนของหลวงตาว่าพระพุทธเจ้าอย่าปล่อยให้พระพุทธเจ้ายื่นมือมาหาเราแต่ฝ่ายเดียวค่ะพระพุทธเจ้ายื่นมือมาหาเราอยู่ตลอดแต่เราไม่ยื่นมือเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเลยหนูเลยรู้สึกว่าแสงนั้นเหมือนแสงของพระพุทธเจ้าที่ยื่นมือเข้ามาใกล้ตัวหนูและ หนูก็นึกถึงคำสอนของหลวงตาที่หลวงตาพูดว่าเมื่อไหร่ที่เราปรุงแต่งเมื่อไหร่ที่เราดิ้นรนค้นหาทานิพานก็ห่างตัวเราออกไปเรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ที่เราปล่อยวางได้หมดนะคะทานิพานก็จะเข้ามาใกล้ตัวเราและในครั้งที่แล้วที่หนูมากราบหลวงตาที่นี่หลวงตาบอกหนูอยู่คำหนึ่งค่ะว่า หนูเดินจนใกล้ถึงแล้วใช่ไหมคะใกล้ถึงปลายทางไม่ทราบว่าหนูเข้าใจผิดหรือเปล่าเหมือนอเหมือนคนเดินทางเปรียบเหมือนคนเดินทางที่รู้ว่าใกล้จะถึงจุดหมายเต็มทีแล้วหนูพยายามมองแสงนั้นไปอยู่เรื่อยๆหนูจนแบบหายจากหนูประมาณไม่ถึงประมาณไม่ถึงหนึ่งแขนแต่หนูก็มองหนูพยายามให้ใจหนูไม่ เพื่อนไหวเหมือนกันค่ะหลวงตาแต่หนูก็ทําได้แค่นั้นแต่ในใจหนูก็รู้สึกว่าหนูได้แค่นี้หนูก็ภูมิใจแล้วค่ะหนูรู้แล้วว่าเมื่อใจหนูหนูถึงใจแล้วใจหนูอยู่ที่หนูนี่เองนิพพานอยู่ที่หนูนี่เองทําให้แสงของพระนิพพานก็อยู่ใกล้ตัวหนูเข้ามาและในขณะที่หนูกําลังเข้าใจนั้นหนูก็ เห็นภาพหนูนึกถึงภาพที่หนูถ่ายภาพของหลวงตาได้ที่ใต้ต้นโพของที่นี่หนูก็รู้เลยว่าหนูรู้สึกในใจว่าภาพที่หนูถ่ายได้กับภาพที่หนูเห็นในเช้าเมื่อวานนี้เป็นภาพเดียวกันค่ะหลวงตาหนูจึงรู้สึกว่าหนูอยู่แค่ตรงนี้หนูไม่ไปไหน แล้วก่อนที่หนูจะเห็นภาพอันนี้เมื่อวานนะคะโดยปกติหนูจะแบบสิ่งที่หลวงตาสอนหนูจะไม่สามารถที่จะกลับไปเรียนรู้ได้หนูจะต้องฟังแล้วหนูก็ทําความเข้าใจตรงนั้นแล้วก็ปฏิบัติจนหนูเข้าใจด้วยตัวเองก่อนนะะแล้วหนูถึงจะได้ฟังคำสอนของหลวงตาเพื่อทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วหนูก็ได้ไปเปิด หลวงตาที่ซอมตายไว้ก่อนตายจนถึงใจหนูก็รู้ว่าในวันนั้นหลวงตาสอนเอาไว้หมดแล้วหลวงตาใช้คําพูดว่าหลวงตาใช้ได้แชร์โลเคชั่นของนิพพานให้รู้ไว้หมดแล้วหนูจึงได้รู้ว่าในคําถามที่หนูถามหลวงตาในตอนกลางวัน หลวงตาตอบหนูหมดแล้วในตอนเย็นและหลวงตาชี้ในจิตให้หนูดูด้วยว่าในสภาวะของหลวงปู่ดุลที่หนูเรียนถามหลวงตานั้นมันเป็นสภาวะไหนในจิตของหนูในวันนั้นซึ่งหนูก็ได้ส่งกันบ้านหลวงตาในตอนกลางคืนหลวงตาและตอนที่ก่อนที่หนูจะถึงเมื่อวานหนูก็ทราบว่าหนูก็คิดว่าสิ่งที่หนูรู้มามันถูกเพราะว่า จากไฟที่หลวงตาโหลดมีไฟหนึ่งที่หลวงตาอธิบายถึงการถอดสามถอดนะคะและในขณะที่หนูพิจารณาได้แบบนี้แล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูไม่ไปไหนแล้วหนูรอที่จะแยกจากกันหนูเตียงตัวตายตลอดเวลาว่าถ้าหนูตายเมื่อใดไม่ว่าจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้หรือตอนไหนหนูก็เข้าใจแล้วว่ามันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นหนูไม่ไปไหนแล้วหนูอยู่กับ ใจของหนูใจของหนูในตัวหนูแค่ที่เห็นด้วยตาเนื้อนี้เท่านั้นนะหนูก็ได้ฟังของหลวงตาเทศที่บอกว่าให้อยู่บ้านของเรานี้สุขใจที่สุดนะบ้านของเรานี้นําความสุขมาให้เราที่สุดค่ะหลวงตาและสิ่งที่หนูได้มาก็คงมีเท่านี้ค่ะ